บทที่45ได้คิดได้ทํา 1. ึปีผ่านไปโครงการวิจัยเพื่อประดิษฐ์คิดค้นเครื่องพยากรกรรมเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นจองเริกว่าจ้างนักวิจัยมือดีมาช่วยไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวเพราะคอนเซปต์ที่แหวกแนวหนึ่งเพราะความไม่แน่นอนเรื่องผลสำเร็จหนึ่งและเพราะวัยวุฒิกับคุณวุฒิเจ้าของโครงการที่ต่าเตี้ยเกินเหตุหนึ่ง ถึงแม้มหาเศรษฐีวัยรุ่นจะยื่นข้อเสนอ ง, งามๆเช่นสนับราคาค่าจ้างที่แพงลิฟ์ระดับเดียวกับนักวิจัยของบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ในอเมริกาก็ไม่มีใครไว้ใจเพราะพอถามถึงที่มาของเงินทุนจองเลอรก็อึกอักให้คำตอบไม่ได้ชัดเจนบอกกล่อมแกล้มเพียงมาจากคนรวยหลายรายเท่านั้นทาไปทามาทั้งโครงการซึ่งควรประกอบด้วยทีมงานนับสิบ จึงเหลือเพียงหัวหน้าซึ่งทำงานเต็มเวลาหนึ่งคนกับลูกมือที่ทำงานตามแต่จะว่างอีกหนึ่งคนทว่าก็เป็นอะไรที่ทำทําไปแล้วหัวหน้าโครงการพึงพอใจมากขึ้นเรื่อยๆเพราะได้ซึ้งว่าการทำงานใกล้ชิดกับบุคคลที่ตนรักนั้นแสนสุขเพียงใดจองเร่พยายามปฏิบัติตามที่คนรักขอร้องเป็นต้นว่าเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเปิดเพื่อเอาบุฒเสียหน่อย เขาใช้วิธีจ้างคนไปนั่งจดเลคเชอร์ถึงวันสอบก็ไปสอบแต่เวลาเกือบทั้งหมดเทให้กับงานวิจัยอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อความคุ้มค่าเงินค่าจ้างที่เหล่าเศรษฐีระดับโลกให้มาโดยไม่รู้ตัวและไม่เต็มใจพอทำงานเก็บเงินเก็บทองมาระยะหนึ่งจองเริศก็เริ่มประพฤติตนเป็นพ่อบุญทุ่มได้ถนัดมือมากขึ้นนชเรเริ่มรับของฝากแพง นับจากชิ้นเล็กเช่นเสื้อผ้าและน้ำหอมแล้วค่อยๆขยับขึ้นไปถึงชิ้นโตผิดสังเกตอย่างเช่นรถยนต์ซึ่งของใหญ่ชิ้นล่าสุดนี้มีพิธีรีตองเป็นพิเศษกำกับอยู่ด้วยเพื่อความไม่น่าเกลียดพ่อแม่ของนาชเลไม่รวยขนาดซื้อรถให้ลูกสาวขับไปมหาวิทยาลัยเขาก็ซื้อให้และทางเดียวที่จะซื้อของแพงผิดปกติให้โดยไม่รู้สึกผิดปกติก็คือทาให้มัน เป็นของมั่นไปเสียจองเลิกเซาซีอยู่ร่วมปีอ้างว่าแค่มั่นเอาพิธีไม่เห็นเป็นไรถ้าบอกว่ายังเด็กไปทำไมกฎหมายไทยถึงให้คนเรามั่นและแต่งงานได้ตั้งแต่อายุครบ17ปีบริบูรณ์โดยไม่ต้องมีผู้ใหญ่รับรองและจุดประสงค์แท้จริงของเขาที่ขอมั่นก็เพียงเพื่อให้ของขวัญชิ้นใหญ่ได้โดยไม่ต้องประดักประเดิดเท่านั้นหาใช่คิดทาไม่ดีไม่ร้ายเสียเมื่อไร ที่แรกนะชะเลอิดออดแต่พอถูกตื้อมากเข้าก็ตัดรำคาญโดยการแจ้งให้พ่อแม่รู้ความประสงค์ของจองเลิกนึกว่าจะเอาคำปฏิเสธของพ่อแม่มาอ้างแต่ที่ไหนได้พ่อแม่ตกลงรับมั่นง่ายได้เสียจนหล่อนเองตกใจแทบสลบพ่อแม่ดีๆที่เคร่งครัดและคุมตัวลูกสาวอย่างเข้มงวดนั้นเอาเข้าจริงก็เพื่อให้ได้คู่ครองที่น่าพอใจสูงสุด ดังนั้นเมื่อเจอหนุ่มถูกใจชนิดเข้าตากรรมการเต็มเหนียวแล้วก็ไม่มีเหตุผลต้องห่วงห่วงอีกต่อไปกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาจองเลิกทากรรมดีพิสูนรบารมีของตัวเองมากพอโดยเฉพาะในแง่ความเสมอต้นเสมอปลายคบหากับนชเล ด, ด้วยความอยากให้มากกว่าอยากเอาถือว่าชนะใจกรรมการพอจะให้กรรมการอนุมัติข้อเรียกร้องทุกชนิด ช่วงแรกที่ปณิธานทราบจากภรรยาว่าจองเล่ขโมยเงินเหล่าเศรษฐีได้เป็นพันล้านเขาแทบสั่งห้ามไม่ให้เด็กหนุ่มเหยียบเข้าบ้านอีกเพราะถือว่าประวัติติดตัวน่ากลัวเกินไปกับทั้งอาจนำภัยมาสู่ครอบครัวเขาในทางใดาทางหนึ่งโดยง่ายแต่หลังจากฟังรสรินเล่าให้ฟังถึงความเปลี่ยนแปลงรวมทั้งการตั้งเป้าใหม่จะใช้เงินในมือ ให้เป็นคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อชาวโลกท่าทีของปณิธานก็เริ่มอ่อนลงเพราะไม่เคยได้ยินใครคิดการใหญ่ขนาดนั้นมาก่อนนั่นคือจะใช้เทคโนโลยีล่าสุดสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่อาจเปลี่ยนความเชื่อของคนได้ครึ่งโลกอย่างถาวรความเป็นแฮกเกอร์อันดับหนึ่งซึ่งเคยป่วนโลกมาแล้วเคยคว้าเงินพันล้านจากอากาศมาแล้วรวมทั้งเคยช่วยใครต่อใครให้พ้นสถานการณ์ลำบากมาแล้ว จึงเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้ไอเดียสร้างเครื่องพยากรกรรมได้เป็นอย่างดีอย่างน้อยก็ไม่ถูกมองเป็นความคิดเพ้อฝันแบบเด็กๆแต่เป็นสิ่งน่าจับตามองว่าที่สุดของความฉลาดคิดเยี่ยงมนุษย์คนหนึ่งจะก่อแรงสะเทือนได้สถานฟ้าสะเทือนดินซักขนาดไหนปณิธานค่อยๆเรียบเคียงไถ่าถามจองเลิกถึงรายละเอียดโครงการ ยิ่งฟังมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งขนลุกมากขึ้นเท่านั้นทุกสิ่งที่จองเริกพูดและแสดงข้อมูลเชิงวิเคราะห์ล้วนฝังขึ้นแม้จะยังอยู่ในทฤษฎีต้นแบบก็เห็นเขารำไรว่าเครื่องพยากรณ์กรรมน่าจะมีทางเป็นไปได้จริงอีกประการหนึ่งเท่าที่เห็นกับตาได้ยินกับหูและสัมผัสรู้กับใจปณิธานพบว่าจองเิกฝากฝ่ายในทางบุญทางกุศลด้วยใจจริง เชื่อได้ว่าเป็นคนดีสีสังคมผู้มีสวรรค์เป็นคติที่ไปอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินลูกสาวบอกว่าจองเริกขอมัน่นด้วยเหตุผลเพื่อหยิบยื่นเงินทองของมีค่าให้ได้โดยปราศจากข้อหน้าตกขิตตะขวงปณิธานจึงไม่มองว่านั่นเป็นความอยากแบบดิบๆของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งแต่มองเป็นข้อเสนอของบุคคลพิเศษที่สมควรยอมรับด้วยความเต็มใจยิ่ง คนพร้อมจะดีมีมากกว่าคนดีพร้อมและจองเริกก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาอ่านเคยเป็นเด็กไม่รู้คิดแต่เมื่อปณิธานรู้แล้วว่าคนอย่างจองเริกคิดได้แค่ไหนจองเริกก็ถูกมองเป็นหนึ่งในคนพร้อมจะดีและโชคดีที่มีโอกาสกลับตัวทันโดยสมบูรณ์หาใช่คนชั่วที่กลับตัวช้าเกินนีนรบทันแต่อย่างใด เมื่อทราบว่านัทะเลเป็นแรงบันดาลใจให้จองเลิกสร้างคุณูปการแก่ชาวโลกเขาก็ยินดียกลูกสาวให้ฝ่ายนั้นโดยไม่เกี่ยงงอนและแทบไม่อยากเรียกร้องสินสอดทองมั่นจากว่าที่ลูกเขยคนเก่งด้วยซ้ำไปในวันงานหลังจากสวมแหวนมั่นเสร็จจองเลิกก็หยิบกุญแจเบนซ์4คลาสจากพานทองมาประจงหยอดใส่มือคู่มั่นสาวคนสวย จากนั้นยื่นหน้าไปหอมแก้มหนึ่งทีโดยไม่มีช่างภาพที่ไหนขอนั่นถือเป็นครั้งแรกนับแต่คบกันมาแถมเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายเสียด้วยน้ะเฉลไม่รู้ตัวล่วงหน้าแก้มถึงกับขึ้นสีชมพูเข้มอับอายประชาชีจนทนนั่งต่อแทบไม่ไหวตกเย็นคู่มั่นหนุ่มสาวออกมารับประทานข้าวเย็นกันตามลาพังเพื่อฉลองของมั่นชิ้นหรู น้ชเชลเป็นคนขับราชรถป้ายแดงรุ่นล่าสุดคันนั้นด้วยความรู้สึกเหมือนตกอยู่ในห้วงฝันพวงมาลายัยติดโค้ดสามแฉกของเบนซ์ในมือคือสิ่งที่ได้มาจากการเป็นคนรักของเขาผู้นั่งอยู่เคียงข้างหนึ่งปีที่ผ่านมาหล่อนช่วยงานเขาเป็นกำลังใจให้เขารับผิดชอบดูแลความถูกต้องต่างๆให้กับชีวิตเขาและนั่นก็ทาให้น้ชเชลรู้สึกว่า ตัวเองโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีคุณค่าบางอย่างที่คู่ควรกับการรับของขวัญวันนี้หล่อนเป็นหญิงสาวเต็มตัวคนหนึ่งที่กำลังทยานแล่นไปสู่อนาคตเบื้องหน้าร่วมกับใครบางคนที่ตั้งใจเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางดีขึ้นเต็มใจยินดีและปรีดาเหมือนนั่งเคียงกันในครอบแก้วที่แยกจากโลกภายนอกมาอยู่ในโลกส่วนตัวตามลาพัง รับรู้ว่ามีกันและกันโดยไม่มีใครเอ่ยคำใดเป็นนานกระทั่งชายหนุ่มเป็นฝ่ายกระแอมชมขับนิ่มจังไม่เหมือนมือใหม่เลยนัชเลยิ้มรับคำชมเงียบๆความเงียบภายในห้องโดยสารหรูที่อวลกลิ่นอายรักอบอุ่นนั้นชวนให้อยากอมยิ้มเฉยมากกว่าเอ่ยคำใดเพราะรู้ตัวว่าความปลื้มล้นอก อาจเป็นเห็นให้พูดจาด้วยสำเนียงและภาษาที่แปลงแปลกหน้าขัดเขินแต่จองเลิกยังคงเดินหน้าชนสนทนาประษาคนเพิ่งมั่นหมายที่กำลังอยากเอาเอกเอาใจคู่มั่นจนสุดความสามารถซายอยากได้อะไรอีกรุบเปล่าบอกมาเราจะทำให้หญิงสาวยิ้มกว้างขึ้นเพราะแฟนหล่อนใช้คำว่าทำให้ไม่ใช่ซื้อให้ซึ่งฟังมีพลังและความหมายกว่ากันเยอะ โดยเฉพาะเมื่อเอ่ยจากปากนักประดิษฐ์ชั้น อ, องค์อย่างเขาเลิกทําอะไรได้บ้างละ่ะเอียงหน้าและเสียงหนีบเล็กน้อยด้วยความประมากับบรรยากาศสดใหม่หลอนกับเขาเหมือนย้ายมาอยู่อีกพบหนึ่งที่แตกต่างจากเดิมแล้วอย่างสิ้นเชิงเราถนัดทางการเอาชนะข้อจํากัดชายหนุ่มตอบเสียงสบายอย่างผลให้แฟนสาวหัวเราะและพยายามสะกดเสียงเป็นปกติ ถึงวันนี้เชื่ออย่างไร้ข้อกังหาแล้วขนาดส่วนสูงยังใช้เวลาแค่ปีเดียวยืดขึ้นได้ตั้งเกือบยี่สิบเซนเรารู้ว่าผู้หญิงอยากได้แฟนตัวสูงกว่าไม่ใช่แค่ไล่เลี่ย ก, กันบางทีเดินเดินด้วยกันแล้วเรารู้สึกว่าซายก็ต้องการส่วนสูงทางกายไม่เท่าไรหรอกความอยากแก้ตัวทำให้เผลอพูดเสียงรัวเร็วเล็กน้อย แต่พอตั้งสติได้ก็ปรับจังหวะให้ช้าลงและตรงกับใจจริงไม่มุสาถ้าได้ก็ดีแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะไม่สำคัญเท่าส่วนสูงทางใจเดินด้วยกันแล้วรู้สึกว่าเงาของใจเลิกสูงใหญ่กว่าของทรายแค่นี้ก็ปลื้มตายแล้วกล่าวจบก็คิดถึงศักยภาพของเขาเหมือนจองเริกถ้าลวงผ่านได้ทุกข้อจากัดเอาจริงๆ ไม่ว่าเรื่องนอกตัวหรือในตัวดังเช่นที่เขาสูงขึ้นแบบทะลึ่งพรวดพราด ช, ช่วยโอกาสช่วงท้ายๆตามที่ธรรมชาติเปิดโอกาสให้ยืดได้ทั้งกินอาหารเสริมทั้งว่ายน้ำและทั้งลงทุนฝึกเล่นบาคู่จริงๆ จ, จากวันนั้นถึงวันนี้ก็เห็นผลทันตาธรรมชาติฝ่ฝายรูปยินยอมมอบร่างหม่ให้โดยไม่ต้องรับผลข้างเคียงด้านร้ายเพราะทาถูกกติกา ไม่หาทางลัดด้วยวิธีลงทุนต่ำแต่หวังผลสูงและไม่เฉพาะส่วนสูงที่ทำให้จองเริกเหมือนเปลี่ยนแปลงความนุ่มนวลของจิตใจยังทำให้เขาดูผุดผ่องชวนมองทั้งโครงหน้าที่มีเนื้อหนังเต็มกว่าเดิมทั้งผิวพรรณที่ลดความหยาบลงและทั้งแววตาที่อ่อนโยนเป็นมิตรขึ้นกล่าวโดยรวมคือคุณสมบัติทั้งภายนอกและภายในของเขาถูกใจหล่อนยิ่ง เเก่งและทรงสเสน่ห์เยี่ยงผู้มีศีลใช้รัศมีจับตาอยู่ใกล้แล้วรู้สึกเข้ากันได้สนิทยิ่งยิ่งขึ้นผูกพันแน่นแฟ้นยิ่งยิ่งขึ้นเราจะทำให้ทายสมปรารถนาทุกอย่างพูดพลางวางมือลงบนตักของคนรักสาวจริงเหรอจริงทายก็เห็นว่าเราทำได้ทั้งนั้นมาถึงวันนี้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองจนทายพอใจ แถมเราเคยทำเรื่องยากที่สุดในโลกมากี่ครั้งยังต้องถามอย่างนี้อีกหรือคุยโตอย่างอยู่ในอารมณ์โวเล่นงั้นซรายขออีกอย่างหนึ่งนัชเลทำประกายตาโชนฝันเหมือนเจ้าหญิงในนิทานสุ่มเสียงคล้ายดีดแก้วเจรไนเป็นสัญญาณเรียกยักษ์ในตะเกียงซึ่งยักษ์ในตะเกียงก็ตาเตื่นกระตือรือร้อนพึ่ภา พ, พทันที เพราะชักย่ามใจในอำนาจสติปัญญาแห่งตนที่อาจมีอยู่เหนือยักษ์ในนิทานขออะไรว่ามาหยุดโลกไว้ให้มีแต่วันนี้ได้ไหมใช่หนุ่มไหลตกทำคอพาพไปอีกทางปูโทษปูโทษทำไมขอจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นไหนว่าทำได้หมดทุกอย่างไงจองเลิกจีบปากกรอกหน้า เมื่อจะพูดตอบแต่คร้านเกินกว่าจะขยับค้างกันไกลน้เลจึงหัวเราะใสและสัพ ย, ยอกคนหมดท่าต่ออุตสาห์เก่งที่สุดในโลกอย่างนี้จะไม่ลองคิดหาความเป็นไปได้เสียหน่อยหรอทำให้ทุกวันเป็นวันมั่นของเราและทำให้พรหมวิเศษนิ่มๆที่เรากำลังขี่นี้ใหม่อยู่เสมอทายชอบบรรยากาศเหมือนขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นแบบนี้แต่ท่าได้มาแล้วต้องเสียไปให้โหยหา อย่างสิ้นหวังบางทีสู้ไม่เคยได้มาเลยจะดีกว่าชายหนุ่มเอามือแปะหน้าหัวเราะหึอยหึ่ยังคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรดียอมเพ้งง่ายา ย, ย่างเงี้ยเหรอหญิงสาวกระเซ้าเสียงหวานจนอีกฝ่ายจำต้องปริปากพูดตามน้ำหน้าแค้นใจเหมือนกันแฮเราทำได้มากที่สุดคือเรียนรู้ว่าธรรมชาติออกกฎไว้กี่ข้อ แต่ไม่มีทางคิดทำลายได้สักข้อเดียวใช่แล้วกฎข้อที่หนึ่งทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่คนอย่างเขาเมื่อรู้จักยอดสุดแห่งความสุขในรักแล้วก็จะไม่มีวันยอมร้องไห้เพราะสูญเสียมันไปอย่างเด็ดขาดเราทำให้โลกนี้มีแต่วันมั่นไม่ได้แต่เรารู้ว่าจะทำยังไงให้ทุกวันเป็นวันที่เรารักทรายน้เลปลืตาลงทำยังไง ทำให้ใจเราเสมอกับซายทุกๆด้านหญิงสาวปลายตาไปทางคนรักแว บ, บหนึ่งแน่หรือว่าทําได้แน่ซายไม่อยากมีลูกถ้าอีกสามปีแต่งงานกันเราไม่ต้องมีลูกได้ไหมจองเริกถึงกับสะอึกนิ้วหน้าทำไมละ่ะถามแล้วก็วูบนึกถึงสังหรณ์ของตนขึ้นมาทันทีเขาเคยกลัวและยังกลัวว่าจะไม่ได้มีลูกกับหลอน แล้วบัตรนี้คําตอบก็กําลังถูกเฉลยจากปากหล่อนเองหล่อนไม่อยากมีเด็กนัชเลหัวรอกกรบเกลื่อนเพื่อซื้อบรรยากาศสบายๆกลับคืนมาสายแค่อยากชี้เท่านั้นว่าเห็นไหมใจเราเสมอการทุกด้านไม่ได้หรอกใช่จะด่วนยื่นคําขาดอะไรในวันนี้เสียหน่อยรถติดไฟแดง ลอนจึงเหลียวหน้าแลคนรักด้วยสายตาตรงขณะเอ่ยสืบต่อชีวิตของเลิกเต็มไปด้วยก้าวกระโดดและข้อยกเว้นทรายพยายามกระโดดตามแล้ววันนี้ก็ต้องเริ่มทําตัวเป็นข้อยกเว้นเหมือนเลิกนั่นหมายความว่าทรายรักเธอพอจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับเธอไม่ใช่ให้เธอเปลี่ยนแปลงตามทรายอยู่ฝ่ายเดียวคําพูดคล้ายจบบริบูรณ์นั้นแฝงปริศนาที่ทําให้จองเลิก คิดต่อด้วยความไม่สบายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันแห่งการสัญญาว่าจะอยู่ร่วมกันตลอดไปเช่นนี้อย่าใช้สำนวนฟังยากนักเลยทรายประกาศความตั้งใจให้ชัดชันได้ไหมเราจะได้เตรียมใจถูกคิดอะไรก็พูดไปหมดแล้วไงหญิงสาวตอบยิ้มยิ้มซึ่งก็ทำให้ชายหนุ่มชักงุดหงิดเล็กๆแม้ดวงหน้าอันเป็นที่รักยังคงหน้าพิสมัยเกินใครเปรียบอยู่เช่นเคย แต่แววตาอ่านยากของหล่อนก็รบกวนอารมณ์เขาไม่ใช่น้อยบางครั้งเหมือนเขากับหล่อนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสนิทแต่บางครั้งก็เหมือนเขาไม่เคยรู้จักหล่อนเลยจนนิดเดียวเราเรียนรู้อย่างหนึ่งจองเลิกพึมพำคิ้วเคร่งว่าความรักไม่ใช่ข้ออ้างที่ดีในการบีบบังคับให้อีกฝ่ายติดตามเราในอนาคตสายอาจตัดสินใจอย่างที่เราต้องผิดหวังแรงๆหลายหน แต่ตัวตนของทายคงไม่ทำให้เราต้องเก็บกดจนเกินไปน่าสงสารจังนัชเลยื่นมือน้อยมาไล้แก้มเขาแผ่วๆเริ่มฝึกคารมจนคมคายเข้าขั้นขออะไรทายก็ใจอ่อนหมดแหละทำเสียงเล็กเสียงน้อยอย่างจะดึงเขากลับมาสู่ภาวะหน้าเรื่นตามเดิมเพราะรู้สึกตัวว่าอาจพูดให้เสียบรรยากาศไปแต่แฟนหนุ่มยังคงตั้งท่าเคร่งเรมจริงจัง รวบสองมือหล่อนกลุ่มแล้วจ้องตาเขมงทรายสั่งเรายัางไงก็ได้ขออย่างเดียวสัญญาว่าจะอยู่กับเราเสมอไปไม่ว่าต้องเกิดอีกกี่ครั้งเฮ้อเอาอีกแล้วนัชเลค้อนปรลับปะเลือกทอดถอนอ่อนใจคนเรานี่จริงๆเลยตอนเชื่อว่ามีชาติเดียวก็คิดแค่รักกันไปจนกว่าจะตายตอนนี้พอปักใจเชื่อพบชาติขึ้นมาก็ล้าหน้าไปอีกขั้น จะมัดมือด้วยตราสังข้างกันให้พายเรือในอ่างไม่รู้จักสิ้นจักสุดอยู่นี่เองตอบมาตามตรงเราสัญญาว่าจะไม่โกรธทายไม่ได้รักเราใช่ไหมนัชเลถอนใจยาวก้มหน้าตอบอ่อยๆยรักเราไม่เข้าใจในเมื่อรักแล้วทำไมซายต้องบ่ายเบี่ยงอยู่เป็นปีๆทั้งๆ ท, ที่ก็รับมั่นเราแล้วจะแต่งงานกับเราอยู่แล้ว อธิษฐานร่วมกันแค่นี้ยากเย็นนักหรืออย่าอ้อมค้อมอีกเลยบอกเรามาเถอะว่าซายคิดยังไงกันแน่แต่งเสร็จจะหนีเราไปบวชชีหรือเปล่าพอดีสัญญาณไฟเขียวสว่างขึ้นนัชเลจึงดึงมือออกมาเพื่อเข้าที่เตรียมตัวสายตาหล่อนทอดตรงไปเบื้องหน้าเพื่อรอความเคลื่อนไหวของขอบวนรถเงียบเชียบอยู่อุดใจหนึ่งก่อนตอบทายแค่ ไม่ได้วางแผนจะเป็นนักเดินทางไกลที่ต้องถามตัวเองซ้ำๆว่ากำลังไปไหนท่องเที่ยวเรื่อยเปื่อยเพื่ออะไรความจำใจที่ถูกบังคับให้ตอบก่อกระแสเย็นชาในน้ำเสียงนิดๆเพื่อความรักระหว่างเราไงหางเสียงชายหนุ่มติดสันและแฝงสำเนียงขมขื่นเพราะเริ่มตระหนักว่าตนกำลังจะถูกทิ้งให้เป็นนักท่องเที่ยวผู้โดดเดี่ยวบนเส้นทางแห่งนิรันดร วูบหนึ่งนัชเลเกือบรู้สึกผิดที่หล่อนไม่อาจอยู่ตรงนั้นเพื่อเขาทว่าก็รู้เท่าทันอย่างรวดเร็วว่านั่นเป็นเพียงอุปทานตามเขานี่ก็เป็นอีกแง่หนึ่งที่ใจเขากับหล่อนไม่เสมอกันในทางธรมเขาเพิ่งตั้งไขขณะที่หล่อนเริ่มขาแข็งจนพอเดินได้บ้างแล้วซายถูกสอนไม่ให้กลัวการจากพราก และมพยายามยื้อฝันดีที่ต้องหนีหายไปหญิงสาวอธิบายพร้อมออกรถรักระหว่างเรามีแค่ชาติที่ทายคือทายเิกคือเลิกพอตายจากความเป็นอย่างนี้ก็หมดความเป็นเราและไม่มีรักระหว่างเราอีกแล้วทาไมพูดอย่างนั้นละ่ะทายเป็นคนทาให้เราเชื่อไม่ใช่หรือว่าเราต่างเป็นทายาทของกรรมเราเองจะต้องไปเสวยกรรมที่ร่วมกันทำเอาไว้ ตัวตนในชาติหน้าเป็นแค่เงาของเราในชาตินี้เรียกได้ว่าเป็นทายาทของเราแต่ไม่ใช่ตัวเราที่จํากันได้ว่านี่ซรายนั่นฤกษ์น้เลค่อยๆปรับจังหวะพูดเหมือนรินน้ําแค่หยุดใช้จินตนาการแล้วตรึกนึกเอาตามจริงเธอจะเห็นอย่างที่ซรายถูกสอนให้มองมานานคิดสิว่าเมื่อเกิดใหม่ เราสองคนต้องไปถามกันอีกกี่ครั้งว่าเธอชื่ออะไรคุณเป็นใครหรือถ้อยคำเหล่านั้นพาภาพในอดีตย้อนกลับมาสู่ห้วงมโนทวารของจองเริกอย่างรวดเร็ววันที่เขาปีนบ้านหลอนพบหลอนอยู่กับสุนัขแสนรักตามลำพังต่างฝ่ายต่างจำกันไม่ได้ในนาทีแรกว่าเป็นเพื่อนเก่าต้องทักถามชื่อกันและกันเพื่อความแน่ใจว่าใช่ย้อนกลับไปอีก ครั้งกระโน้นเมื่อเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมต่างฝ่ายต่างเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยพูดค่อยจาหลอนเคยมาให้อธิบายวิธีคิดเลขสองสามหนเข้าหลงรักหลอนแต่ความขี้อายทำให้ปิดปากเงียบและกระทั่งแสดงความเมินเฉยด้วยกลัวว่าถ้านชเลรู้หลอนจะเกลียดเขาและเอาไปบอกเพื่อนเพื่อนให้หัวเราะเยาะเขาถึงนาทีนี้ ชาตินี้มีแต่ภาพความทรงจำระหว่างกันที่แสนดีและชีวิตที่แสนดีนี้ก็ยังไม่สิ้นสุดเราว่าวิถีทางของความรักงดงามดีออกน่าทรายแม้ถูกธรรมชาติล้างความจำไปแล้วกรรมที่ผูกพันกันมาก็บรรดาลให้ได้มารู้จักมาประทับใจและใกล้ชิดกันอีกจะกลัวอะไรกับการหลงลืมเพียงชั่วคราวในเมื่อรู้ว่าเดี๋ยวเราก็ได้อยู่ด้วยกันอีก เราอาจเคยครองคู่กันมาจริงๆนัชเลตอบแบบกึ่งจะรับแต่ความรักในหันก่อนของเราเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้กับเส้นทางของความไม่แน่นอนตอนเด็กซายเคยอยากคุยกับเลิกทำไมเลิกถึงทำเป็นเฉยเก็กท่าจนซายหน้าม้านเสียเองชาติต่อๆไปเธออาจทำเป็นเมินอย่างนั้นอีก แล้วจะมีอะไรประกันว่าภายหลังต้องได้พบกันด้วยความบังเอิญเหมือนชาตินี้เรากำลังปลูกศรัทธากันอยู่ไงว่าไม่มีความบังเอิญมีแต่เหตุและผลที่อธิบายได้แล้วจองเลิกก็หัวรอบแผ่วดวงตาส่องประกายปลืม้มเพิ่งรู้นะว่าตอนเด็กซายเคยอยากคุยกับเราด้วยณ้ชเลระบายยิ้มอ่อน มาถึงขนาดมั่นหมายกันอย่างนี้หล่อนก็ไม่จำเป็นต้องอุบเงียบเพื่อรักษาเชิงหญิงแต่อย่างใดแล้วทายจำได้ว่าทายชอบเลิกนะอยากให้เลกมาคุยด้วยแต่พอไปคุยกับเลิกก่อนแล้วเห็นเธอทำเฉยๆก็ไม่กล้าไปตอแยด้วยอีกภาพวัยเยาว์ที่แจ่มกระจ่างปรุงความรู้สึกให้เหมือนกลับเป็นเด็กอีกครั้งขณะที่จองเิกแทบร้องไห้กับการดีใจย้อนหลัง เมื่อรู้ความจริงว่าคนที่ตนหลงรักก็คิดเช่นเดียวกันเราอยากเข้าไปคุยกับทรายใจจะขาดแต่กลัวทรายรู้ว่าเรารักทรายกลัวทรายรังเกียจกลัวโดนเพื่อนล้อว่าไม่เจียมกะลาหัวพักเม้มปากสะกดความยินดีที่เหมือนจะล้นปรีออกมาเป็นน้ำตาทรายดูสวยแล้วก็เหมือนอยู่เกินเอื้อมสำหรับเราเสมอแม้กลับมาเจอกันใหม่ตอนโต ถ้าถ้าไม่ได้เจ้าต่อยช่วยเป็นกำลังใจให้ในวันแรกๆเราก็อาจยังติดอยู่กับความกลัวแบบเก่าๆและต้องเจ็บใจตัวเองวันแล้ววันเล่าเหมือนเด็กๆอีกครั้งนั่นเป็นความรู้ใหม่สำหรับนาชาเลแล้วก็ทำให้เห็นขายใยสัมพันธ์ผูกโยงระหว่างผู้คนทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเหมือนทุกคนถูกวางตาแหน่งไว้กระทบกันเป็นทอดทอด ไม่มีใครถูกวางไวลอยๆอยโดยปราศจากความเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเลยสักคนเพียงแต่จะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นความสัมพันธ์แต่ปางก่อนระหว่างเราคงยั่งยืนพอชาตินี้ถึงอยู่ในสายตาของกันและกันมาตั้งแต่แรกใช่จองเลิกเรีบสนับสนุนแถมเราน่าจะเคลื่อนมาจากพบเดิมพร้อมกันถึงได้เกิดวันเดียวกัน เมื่อเป็นอย่างนี้สายก็ไม่ควรปฏิเสธการอธิษฐานให้เราสองคนได้ไปอยู่ในสายตาของกันและกันอีกการอยู่ในสายตาของกันและกันประกันอะไรได้บ้างจองเริอกอึกอักแต่ชั่วสองสามพริบตาก็ตอบด้วยท่าทีหนักแน่นเราอธิษฐานช่วยกันประคับประคองกันและกันให้เดินไปในทางดีไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายพลาดหลงไปในทางชั่ว กำหนดไว้ว่าจะให้ซายดีงามและอยู่ในภูมิสูงส่งได้เหมือนชาตินี้ตลอดไปแชะเฉลยักไหลและเบะปากยิ้มนิดนิดเรกว่าซายดีมากเหรอที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะดีได้อืมก็เคยหลงสำคัญตัวอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่เมื่อปีก่อนพ่อหมออุปการะชี้ให้สายเห็นความคิดบางอย่างของตัวเอง ความจริงเหมือนรอยเปื้อนในจิตแค่เล็กๆน้อยๆที่ไม่น่าถือสาแต่ต่อมาพอทรายสังเกตก็เห็นว่าในตัวเองเต็มไปด้วยความคิดเลวแหลกสารพัด ท, ทั้งกลางวันกลางคืนแต่ทรายก็ดักความคิดพวกนั้นได้และไม่ปล่อยให้หลุดออกมาเป็นความทุจริตทางกายวาจาอย่างนี้จะต้องไปกลัวอะไรนันชเลเร่คิวผ่อนลมหายใจทีละน้อย กลัวความไม่แน่นอนของอนาคตกลัวบาปแต่ผลหลังจะให้ผลแล้วก็กลัวความคิดชนิดที่ควบคุมไม่ได้ด้วยสติระดับไหนไหนยอมรับเธอว่าเชื้อร้ายอย่างฝังแน่นอยู่ในเรามากมายประมาทไม่ได้เลยเผลอพลาดทำบาปแม่เล็กน้อยก็ต้องเสวยทุกข์ที่คิดไม่ถึงน่าเหนื่อยจะตายกับการระมัดระวังศัตรูที่เกิดจากใจตัวเองขณะกล่าวยังไม่จบ ยิงสาวกดคันเร่งนิดหนึ่งเมื่อเห็นถนนโล่งขึ้นแต่เมื่อรู้สึกตัวว่ากำลังคนองในขุมพลังแรงจัดที่สั่งได้จากปลายเท้าเป็นเหตุแห่งความประมาทอันไม่สมควรแก่มือใหม่หัดขับก็ยังไว้และรู้สึกถึงความมีใจเยือกเย็นเห็นโลกเบื้องหน้าสงบลงดังเดิมหลังจากหัดดูความจริงเข้ามาในตัวเองตรงๆงพัหนึ่ง ทายรู้สึกเหมือนกําลังเดินอยู่ในสนามแคบที่เขาวางกับระเบิดไว้ที่ยิบเร็กอ้างว่ารักทายความรักของเธอคือการอยากให้ทายปลอดภัยหรือตกอยู่ในห่วงอันตรายชายหนุ่มใจหายคําถามเดียวของนาเชเลแทบทําให้เขาตาสว่างในบัดดลหมายความว่าเริกทําให้ทายไว้ใจสายเชื่อว่าเร็กจะซื่อสัตย์กับทายไปจนชั่วชีวิต เพราะฉะนั้นจนตายทายจะมีเธอคนเดียวสีหน้าจองเลิกแช่มชื่นขึ้นขอบใจแต่ทายไม่ไว้ใจตัวเองว่าจะคิดดีได้กี่น้ำโดยเฉพาะชาติหน้าชาติโน้นที่มองไม่เห็นเดาไม่ถูกทานายไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่า ก, ก่อเชื้อให้เกิดตัวตนอื่นขึ้นอีกเลยเอาแค่ชาตินี้พอแล้วการตั้งอธิษฐานว่าจะต้องเจอกันไปเรื่อยๆทุกชาติ จะกลายเป็นนิสัยและความฝังใจเป็นมโนกรรมที่พาเราเที่ยวไกลสุ่มเสี่ยงเข้าสงครามบุญบาปในจิตไม่รู้จบรู้สิน้นจองเริกยังคงเงียบอึง้งกระพริบตาคิดคล้ายคนเพิ่งถูกปลุกให้ตื่นจากหลับฝันเอาแต่ฟังคนรักสาวกล่าวอธิบายอยู่ฝ่ายเดียวถึงตอนนี้เราได้คิดได้พูดและได้ทำอะไรดีๆ ด, ด้วยกันมามากความรักจะอยู่ที่นี่ และถ้าต้องเกิดใหม่ก็จะอยู่ที่โน่นด้วยโดยไม่จําเป็นต้องอธิษฐานไม่ต้องวอนขอไม่ต้องเรียกร้องกับใครที่ไหนชายหนุ่มยิ้มออกหล่อนไม่รังเกียจที่จะพบเขาในชาติหน้าและชาติต่อๆไปเพียงแต่หล่อนไม่อยากอธิษฐานในแบบที่จะต้องท่องเที่ยวยืดเยื้อไร้จุดหมายปลายทางเท่านั้นแล้วทรายต้องการให้เราทําอะไรเพื่อทราย ส่งเสริมเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นผู้นําให้ทายได้ยิ่งดีพาทายไปสู่การยุติความไม่รู้และความหลงติดทั้งหลายตามหลักวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนไว้จองเร่หัวร้อเหือหึกเพื่อทายเราจะพยายามแล้วเขาก็เงยหน้าหัวเร้อขำหนักขึ้นยกมือแปะหน้าผากและปิดตาทายนี่เยี่ยมจริงๆนะ เปลี่ยนโจรให้เป็นนักบุญเต็มตัวเลยว่าไงนักประดิษฐ์เอกพ่อหมออุปการะทักษ์ชายหนุ่มที่มาเดี่ยวอย่างเป็นกันเองสวัสดีครับอาจารย์จองเริกพนมมือไหว้อย่างนอบน้อมก่อนเอยอย่างที่โทรมาบอกนะครับวันนี้จะขอสรุปรากฐานทฤษฎีสร้างเครื่องพยากรณกรรมอยากให้อาจารย์ช่วยดูว่าครอบคลุมเพียงพอสาหรับการเริ่มต้นแล้วหรือยัง ได้สิว่าไปเลยผมอยากรู้เหมือนกันว่าน้องทำคืบหน้าไปถึงไหนแล้วถามจากที่อาจารย์เห็นก่อนดีกว่าเออถ้านี่เป็นรถหรือเรือถึงตอนนี้ลุล่วงไปแค่ไหนครับอุปการะนิ่งตรึกอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบถ้าเปรียบกับโครงการสร้างรถสร้างเรือก็ถือว่ายังเป็นแค่รูปวาดอยู่ในกระดาษ แต่เริ่มมีเขาโครงของต้นแบบที่จะเอาไปใช้ในโรงงานประกอบชิ้นส่วนจริงบ้างแล้วเท่าที่สัมผัสเห็นนี่สมองน้องทำงานเหมือนสายฟ้าแลบอยู่เกือบตลอดทั้งรวบรวมข้อมูลมหาศารทั้งคิดคำนวณอะไรซับซ้อนประติดประตอกันพิสดารเหลือเกินผมเห็นกองงานของน้องใหญ่โตราวกับภูเขาอะไรสักลูกระวังผมหงอกก่อนอายุ20ละ่ะ นักประดิษฐ์หนุ่มหัวเราะออกมาได้ทักได้ตรงเปงเลยครับอาจารย์ผมงอกเพิ่มงอกออกมาเส้นหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้เองสายเป็นคนเห็นจากข้างหลังแล้วตกใจใหญ่ปริมาณงานกับข้อมูลที่ผ่านสมองน้องแต่ละวันอาจมากเท่าคนทั่วไปเจอกันเป็นเดือนอย่างนี้อีกสิบปีจะเกิดพายุในหัวแรงเกินรับทำให้สมองพังได้นะ น้องควรฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดความสมดุลบ้างแล้วรู้ตัวครับเรื่องคิดแรงจนหยุดไม่ได้นี่เป็นมาพักหนึ่งแล้วปีหนึ่งที่ผ่านมาเหมือนทำโปรเจกต์ย่อยๆพร้อมๆกันร่วมร้อยโหดกว่าตอนพยายามเจาะระบบดาวเทียมไม่รู้กี่เท่างั้นไว้ผมจะเรียนทำสมาธิ ก, กับอาจารย์บ้างนะครับอายุจะได้ไม่สั้นดีแล้วจองเลกก็ตัดบทเข้าเรื่อง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 อบายยื่นบันไดขั้นต่อมาให้จริงๆครับขนาดคิดทำเรื่องบุญเรื่องกุศลบาปเก่าๆยักอุตสาห์จะตามมามีเอียวนี่ถ้าไม่มีศรัทธาในกรรมวิบากมากพอก็คงสู้แรงยุ่ฝ่ายต่ำไม่ไหวเหมือนกันตอนนี้ผมเอาชนะข้อจำกัดด้วยการแบ่งงานออกเป็นหลายส่วนหลายระยะเช่นบางส่วนจะรอเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เร็วกว่านี้อาจจะอีกสักสิปีค่อยเริ่มลุย ป่านนั้นต้นทุนคงถูกลงเป็นร้อยเท่าพูดพลางนึกถึงการถอดรหัส DNA ของคนต่างเผ่าพันธุ์ต่างลักษณะพันธุ์นับพันเพื่อเก็บตัวอย่างเปรียบเทียบซึ่งต้องอาศัยความเร็วในการประมวลผลเกินกว่าคอมพิวเตอร์ยุค ป, ปัจจุบันจะสนองตอบดีแล้วรอสิบปีดีกว่ามีกำดาเปื้อนจิตน้องอุสาขาวขึ้นขนาดนี้แล้วเหตุผลไหนๆก็ไม่พอให้กลับไปกระํากระด่างอีกรอบ ครับเออสำหรับช่วงนี้ผมกำลังวิเคราะห์วิจัยแล้วก็ใช้วิชาย้อนรอยเทคโนโลยีบางอย่างที่คนอื่นสร้างทำไว้แล้วเพื่อประกอบเป็นอุปกรณ์ใหม่เขารายงานโดยสังเขตเจตนาเพื่อให้อุปการะช่วยตรวจสอบว่าตนเองทำทุกสิ่งด้วยความสะอาดสะอ้านพอหรือยังซึ่งฝ่ายอุปการะก็พยักหน้าช้าๆเป็นการยืนยันว่าใช้ได้ไม่มีปัญหา ตอนนี้มีวิชาอยู่แขนงหนึ่งว่าด้วยการสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างสมองกับร่างกายวิชานี้เหมือนการเจาะระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งผมถนัดและอุปกรณ์ตรวจจับคลื่องสมองก็ก้าวหน้าไปมากเป็นไปได้ที่จะให้คนธรรมดาพกติดตัวไปไหนมาไหนแต่ก็ต้องพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้เฉพาะงานกันนานอุปการะทำน่าสนใจ มีประโยชน์กับงานยังไงผมต้องการให้กรรมใหม่ของแต่ละคนถูกเก็บในรูปข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้และนั่นก็คงต้องอาศัยครื่นสมองเพราะครื่อสมองเกิดขึ้นจากเจตนาในปัจจุบันชาติโดยตรงขั้นพื้นฐานจะเลงว่าใครมีเจตนาเจออยู่ด้วยราคะโลภโทสะพยาบาทหรือโมหะเป็นหลักจากนั้น ในอนาคตอีก10หรือ20ปีถ้าผมสามารถถอดรหัสข้อมูล DNA ซึ่งเป็นกรรมเก่าสำเร็จก็จะสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างกรรมเก่ากับกรรมใหม่ได้โดยอาศัยหลักของทานและศีลเป็นเกณฑ์การหาความสัมพันธ์ผู้อาวุโสยกมือรูปคางเท่าที่พอเข้าใจคือจองเลิกอาศัยหลักการที่ว่า กายคือกรรมเก่าและเจตนาคือกรรมใหม่มาประยุกต์ถ้าทำให้ของเก่ากับของใหม่อยู่ในรูปที่บันทึกลงคอมพิวเตอร์ได้งานพยากรณ์กรรมของเขาก็จะเป็นรูปเป็นร่างจับต้องได้ชัดเจนในหนทางของวิทยาศาสตร์จองเริกเห็นอุปการะเงียบฟังเหมือนเข้าใจกระจางก็อธิบายต่อผมหวังว่าเมื่อเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างกรรมเก่ากับกรรมใหม่ดีพอ เราจะได้ภาพเกี่ยวกับคิวของการให้ผลกรรมซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดก่อความคลางแคลงไม่อาจลงใจศรัทธากรรมวิบากได้มากที่สุดเช่นทำไมทำดีถึงยังไม่เห็นได้ดีสักทีหรือทำไมคนชั่วจึงลอยนวลอยู่อย่างมีเกยียรติเครื่องพยากรณ์กรรมจะทำได้ขนาดพล็อตกราฟออกมาถูกเลยว่าตอนนี้กรรมขาวหรือกรรมดำ ในอดีตประเภทไหนกำลังส่งผลแรงที่สุดและจะทอดเวลาให้ผลไปอีกนานเพียงใดกว่าที่กรรมใหม่ในปัจจุบันจะเริ่มส่งผลแทรกแซงอุปการะเอาแต่พยักหน้างึกๆงึกแม้ไม่เข้าใจเชิงเทคนิคก็มองชายหนุ่มตรงหน้าด้วยแววทึ่งเพราะเข้าอาศัยวิทยาการและกรอบความคิดหลายๆด้านผนวกกันจนกลายเป็นมุมมองเกี่ยวกับกรรมวิบากที่ชัดเจนตรงจริง อย่างกรณีของนาเคก้กจองเริกกล่าวสืบต่อซึ่งอาจารย์บอกว่าอาดีตของเขาถือศีลแปดด้วยเจตนาอันเจือด้วยราคะผลในปัจจุบันซึ่งเห็นด้วยตาเปล่าก็เป็นแบบหนึ่งในทางร้ายที่นี้พอน้าเคก้กถือศีลแปดด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องตรงทางมาครบปีเราก็เห็นความจริงไปอีกแบบหนึ่งในทางดีเหมือนรัศมีพิสุทธิ์ของศีลแปจะดึงดูด แต่ผู้ชายดีๆเข้ามาหาหนาเคกมืดฟ้ามัวดินไปหมดแต่ละคนประวัติดีชนิดมีกลิ่นสะอาดลอยออกมาจากจิตกันเลยทีเดียวอนุภาพของศีลแปเป็นของใหญ่พอสั่งสมไปจนรัศมีเริ่มทอตัวออกมาจากภายในผลหลายๆอย่างก็เริ่มปรากฏชัดออกมาที่ภายนอกนั่นแหละครับถ้านาเคก้กเคยรักษาศีลแปดมาก่อน และกำลังเสวยผลกรรมนั้นในปัจจุบันด้วยการมีรูปร่างหน้าตาดีร่างกายก็ต้องมีข้อมูลบางอย่างที่สอดคล้องกันกับเจตนาถือศีลแปดใหม่ในช่วงปีที่ผ่านมาผมสันนิษฐานว่าเมื่อเอาบุญเก่าเช่นศีลแปดมาต่อยอดก็จะเห็นผลใหญ่รวดเร็วกว่าพวกที่ไม่มีวิบากทางศีลแปดเป็นฐานอยู่ก่อนอุปการะเอ็หลังพิงพนักมองจองเลิกนิ่ง คำพูดของชายหนุ่มทำให้เขาเริ่มเชื่อว่าเป็นไปได้ที่เทคโนโลยีกับมันสมองของมนุษย์ยุคปัจจุบันอาจพาไปสู่ความเข้าใจคำวิบากได้อย่างลึกซึ้งน้องเห็นได้ถูกแล้วกรรมเก่าเป็นฐานเป็นแนวโน้มและเป็นที่ตั้งของความรู้สึกสุขทุกจากเครื่องกระทบทั้งหลายว่ามีขอบเขตประมาณนั้นส่วนกรรมใหม่เป็นตัวรักษาเป็นจุดเปลี่ยนหรือเป็นแรงขับดัน ให้ฐานเดิมงอกเงยต่อยอดหรือพังพินาศล่มสลายลงจองเริกยิ้มใสที่อีกฝ่ายให้การรับรองถึงตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนค้นพบความจริงอย่างหนึ่งคือรูปร่างหน้าตาถูกคุมด้วยกรรมเก่าเป็นหลักแต่ก็ถูกปรับปรุงด้วยกรรมใหม่ได้มากแม้จะยากในช่วงแรกของการเปลี่ยนเส้นทางกรรมแต่ก็จะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆเมื่อเดินลึกเข้ามาในเส้นทางกรรมสายใหม่นั้นๆ ใช่บางคนแทบจะเปลี่ยนหมดทั้งรูปร่างและหน้าตาเพียงเพราะรู้จักทาทานและรักษาศีลด้วยความเข้าใจตลอดสายแต่ก็ต้องสั่งสมบุญใหม่กันหลายปีกว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดผิดกับหนูเค้กซึ่งฐานเก่าส่งผลรองรับในทางบวกอยู่แล้วพอมาตั้งใจถือศีลด้วยมุมมองที่ถูกที่ชอบเข้าอีกก็ยิ่งงามจัดรับกันทั้งจากภายในและภายนอก รวมทั้งกระแทกวิบากเก่ากระเด็นไปจากวงโคโจรชีวิตได้ทั้งที่เอาจริงในช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่ปีเดียวอีกอันหนึ่งมีร่องรอยบ่งชี้ว่ากรรมเก่าจะมีกําลังแรงและมีอิทธิพลใหญ่ตราบเท่าที่ยังไม่มีการตั้งใจทำทานให้มากรักษาศีลให้มากข้อสรุปนี้ถูกไหมครับถูกแค่มีความเข้าใจมีความปรุงใจศรัทธาในทานและศีลท่องแท้ พเดิมก็เริ่มเคลื่อนแล้วและส่งผลกระทบกับรูปดวงแบบเดิมๆแล้วแต่ถ้ายังไม่จุดประกายกันด้วยศรัทธาในทานและศีลก็เหมือนแสงสว่างยังส่องกระทบจิตไม่เต็มที่ต่อให้ใช้เคลดลางหรือฉลาดเปลี่ยนแบบแผนชีวิตท่าไหนแม้ได้ผลก็วูบว่าประเดียวประดาวต้องเวียนทุกขเวียนสุขประมาณเดิมๆเพราะยังไม่มีพลังพอจะขับให้เคลื่อนออกจากพบเดิมๆนั่นเอง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 เพียงใครตั้งจิตไว้ผิดหรื อ, อยังศรัทธาไม่ตรงทางรวมทั้งให้คำแนะนำได้ว่าต้องเปลี่ยนความคิดท่าไหนจึงจะบรรลุผลตามต้องการไม่เลวผมขอให้อาจารย์ทำนายอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่ใช่เพื่อกำลังใจในการเริ่มต้นแต่เป็นความอยากรู้จริงๆครับว่าก่อนตายผมจะทำสาเร็จไหมสาเร็จส่วนหนึ่งอุปการะตัดสินใจตอบ เพราะเห็นว่าชายหนุ่มทุ่มเทลงมาลึกพอจะไม่ถอดใจแล้วเดี๋ยวน้องทำทาไปจะพบว่าสัตว์จะเกี่ยวกับกรรมวิบากนั้นยิ่งขุดก็ยิ่งลึกหาเข้าเงื่อนตลอดสายไม่ได้หรอกพอน้องเริ่มผมหงอกจะเริ่มถอดรหัสกรรมเก่ากรรมใหม่ได้กว้างขวางและนำมาหาความสัมพันธ์กันจนบอกคิวการให้ผลกรรมถูก แต่ก็ยังจะมีข้อผิดพลาดให้ต้องคลำหาปมเพื่อแก้ไขไปเรื่อยๆจองเลิกก้มหน้าปรงนึกแล้วเชียวอย่าห่วงเลยถึงตอนนั้นจะเริ่มมีเสียงขานรับและมีการรับช่วงต่ออย่างกว้างขวางสาระสำคัญคือน้องได้เริ่มคิดได้เริ่มทำซึ่งอะไรแบบนี้แม้ต้องรอเป็นร้อยๆปีก็คุ้มเพราะจะทาให้มนุษย์ทั่วไปศรัทธาว่ากรรมวิบากมีจริง เมื่อรู้จริงก็จะได้ไม่ต้องทําผิดไม่เช่นนั้นก็จะเป็นผู้ผิดเพราะไม่รู้อยู่ร่ำไปแค่ได้เป็นผู้เริ่มก่อรูปก่อร่างเท่านี้ก็มีกําลังกําขาวเหนือกําดําในอดีตอคโขมโหรารแล้วการเริ่มต้นนั่นแหละสําคัญที่สุดเพราะถ้าขาดก้าวแรกก็จะไม่มีก้าวอื่นๆให้พูดถึงและจะไม่มีเส้นชัยเป็นที่หวังชายหนุ่มเงยหน้าสายตาฉายแววไซย อาจารย์พูดอย่างนี้ค่อยใจชื้นหน่อยครับเครื่องพยากรณ์กรรมจะมีหรือไม่มีกรรมวิบากก็ยังคงทําหน้าที่ต่อไปหน้าที่ของแต่ละคนคือทําความรู้จักกฎแห่งกรรมวิบากและช่วยเหลือให้คนอื่นรู้ตามเท่าที่กําลังจะเอือ้อเพื่อสาระคือการได้คิดและได้ทําประโยชน์สูงสุดให้ตนเองและผู้อื่นแค่นั้นน่าพอใจเกินกรรมใดเปรียบแล้ว จบตอน